ขัดมันคล่องนะโดยเฉพาะทําบาปก็ขัดคล่องนะสมมติถ้าเราใครจะฆ่าใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ทําได้ง่ายๆใช่ไหมมันก็ติดขัดไปหมดจะทําบุญก็ติดขัดเหมือนกันสรุปว่าในโลกนี้มันมีแต่ความขัดมีแต่ความคล่องอยู่ๆมันเส้นมันก็ยังขัดยังคล่องของมันเลยใคยๆไหมเหยียดแขนไม่ออกเลยนะมันยังขัดคล่องหมดเลยนะแล้วก็ขันห้านี้เป็นของน่ากลัวเป็นของขัดคล่องไม่มีที่ต้านทาน หมายความว่าจะเอาอะไรมาต้านทานว่าเอาเสื้อเกราะมาพอช่วยได้ไหมถ้าเราป่วยแล้วเอาเสื้อเกราะมาใส่ได้ไหมจะช่วยอะไรได้บ้างไม่ได้นะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านทานแล้วหลบไปอยู่ตรงไหนได้บ้างหลบไปแล้วก็จะได้พ้นสักทีหนึ่งนี้ไปอยู่ซอกไหนไม่ได้นะหนีไปอยู่ตรงไหนก็ไม่พ้นเขาบขนาดหนีไปอยู่ในท้องของคนอื่นนะเขายังเอาออกเลยอย่างนี้ไม่มีที่หลีกจริงๆไม่รู้จะไปหลบอยู่ตรงไหนนะถ้าเราเป็นอะไรนะสมมติถ้าเราทําปานาติบาตเอาไว้มากนะ หลบไปอยู่ตรงไหนเขาต้องประหารเราจนได้ไปอยู่ในคันนะทําให้อะไรนะในที่สุดแทงออกมาจนได้ถ้าคลอดออกมาหน่อยนะเขาหาเรื่องฆ่าจนได้หาเรื่องจนถูกฆ่านะเขาตามฆ่าไปอย่างนั้นแหละอันนั้นเน่ยเศษเบาๆของตานาติบาสถ้าหนักขึ้นก็ตกนรกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นนักโทษของวัตตะใช่ไหมที่พ้นจากความตายไม่มีที่สุดก็คือความตายนะเนี่ย ไม่รู้จะไปหลีกไปเล่นอยู่ตรงไหนนะไปหลบอยู่ตรงไหนจึงจะพ้นไม่มีที่พึ่งพึ่งอะไรได้บ้างในในในร่างกายของเรานะ่ในในเนี่ยขันห้าของเราเนะี่ยเออขอเอาตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งเอาส่วนนี้แหละเป็นที่พึ่งเอาอะไรดีเอาฟันเลยเป็นที่พึ่งนะแข่งกับเพื่อนเลยได้ไหมไม่ได้แล้วก็เป็นของที่มีโทษเนี่ยนะของที่มีโทษมีโทษกับมีพิษก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นของที่มันแปลไปเป็นพิษได้ ก็ลองเป็นหวัดไปอยู่ใกล้ๆใครนะพิทติด ก, กันไปหมดนะดีนะแค่หวัดถ้าเป็นเออ ด, ด้วยหนักกว่านั้นอีกแล้วก็เป็นมูลแห่งความชั่วร้ายนี่นะนะชั่วร้ายเช่นเราเคยได้ยินพวกนักโทษที่ถูกเคียนถูกตีถูกประหัดผ a หารไหมถ้าไม่มีขันท่าจะโดนไหมไม่โดนเนี่ยนะมันก็ของชั่วร้ายมากๆเลยมันก็เลยเป็นเป็นเพชฌคาดเพราะมันเค้นฆ่ากันเองแล้วก็เป็นผู้ฆ่าขนาเดียวกันนะ มันเร็วขนาดนี้นะกิเลสก็อาศัยพวกนี้แหละเกิดขึ้นใช่ไหมตัณหาก็อาศัยพวกนี้แหละเกิดขึ้นมานะก็อาศายัาศายสิ่งเร็วๆเหล่านี้แหละเกิดขึ้นทิฏฐิก็อาศัยสิ่งเร็วๆเหล่านี้เกิดขึ้นอวิชชาทั้งหลายก็อาศัยสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านี้แหละเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะสาสวะโตเนี่ยนะเป็นเหยื่อของขันธมารเป็นเหยื่อของกิเลสมานเป็นเยื่อของมัจจุมาร ก็เป็นของที่มีความเกิดเป็นธรรมดายังชอบข้อความในปาสราสิสูที่บอกว่าตัวเราเองเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดายังจักแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอีกอยู่หรือใช่ไหมเราเคยตั้งคำถามแบบนี้บ่อยๆนะสมมติถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างน่งนะเราเราพอใจที่จะเกิดในพบใหม่ยังปรารถนาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกหรือยังปรารถนาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่อีกหรือ เป็นยังปรารถนาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอยู่อีกหรือยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่อีกหรือแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่อีกหรือตัวเองก็งเศร้าเต็มทีแล้วแสวงหาถึงสิ่งที่น่าเศร้าอีกหรืออย่างเงี้ยนะแสวงหาอะไรนะเราก็บ่นเป็นไปแสวงหาเสียงบ่นม่อีกหรืออันนั้นก็ได้ช่วยๆกันบ่นใช่ไหมอย่างนี้ไหมใช่นะตัวเองก็ คับแค้นใจเนี่ยนะเครียดแล้วก็สแสวงหาวัตถุแห่งความเครียดมาอีกนะจะผ่อนได้ไหมสมมติว่าก็เข้ามีคําถามว่าถ้าเราตาบอดนะไปสะแสวงหาคนตาบอดมาจะทําให้สว่างขึ้นอีกไงมไม่หูหนวกเนี่ไปช่วยมาเอาเอ า, เ, อาเรียกคนหูหนวกมาช่วยกันฟังแล้วไม่ได้การในงานอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันคันห้างก็ทุกอย่างนั้นแหละแสวงหาสิ่งที่ไอตัวตัวตัวภายในก็เศร้ามองอยู่แล้ว ไปสแสวงหาวัตถุทั่วๆไปเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองอี ก, อกนะคิดอย่างนี้แหละจึงไม่มีอะไรเลยนะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรกับเขาก็เขาคิดอย่างนี้แหละเนาะทำไมเพราะเค็นอะไรก็มีแต่แตเต็งที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากใจแล้วก็ไอ้คำว่าเศร้าหมองตัวนี้นี่หมายว่ามีอารมณ์อะไรบ้างไหมที่ไม่ต้องทุจริตกรรมแล้วได้มาคําว่าทุจริตนี่เข้าใจนะคําว่าทุจริตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมโนโทุจริตใช่ไหม คืออกุศลจนได้ในที่สุดพันๆไปพันมาก็อกุศลในสิ่งนั้นมาจนได้ถ้าใครที่รู้จักบาปเพียงพอเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าไม่มีวัตถุใดที่ไม่เข้าไปเปื้อนบาปกลับมาเนี่ยนะมีอะไรมั่งที่ไม่เปื้อนบาปกลับมาเลยหายากเต็มทีโดยมากแล้ววัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเปื้อนไปกับบาปเปื้อนไปกับอกุศลอย่างการเห็นของเราในที่สุดยังเปื้อนบาปกลับมาจนได้ การได้ยินก็ยังเปื้อนบาปกลับมาจนได้ถึงไม่เปื้อนขณะนั้นตอนหลังก็ยังเปื้อนบาปกลับมาอีกมันถ้าคิดได้ขนาดนี้ก็ทุกขานุปัสสนาก็หนักแน่นมั่นคงปัญหาว่าทุกขานุปัสสนามันมีแต่ตอนฟังธรรมนี่สินะทํายังไงให้มันเอ๊เหมือนกับฟังตลอดเวลาเลยนะวันละแค่เท่าไหร่เว้นแต่หลับฝันก็ยังเจริญต่อไปนะคําว่าหลับกับคําว่าฝันไม่เหมือนกัน หลับก็คือหลับสนิทถ้าฝันก็ยังฝันว่าเจริญวิปัสนาฝันว่ายังอู้นั่นก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้ใส่ใจแต่แบบนี้บ่อยๆก็แสดงว่าทําบุญมาดีมากบุญนี่ก็คําว่าบุญก็คือปัญญานะสะสมปัญญาไว้ดีมากแต่สิ่งเหล่านี้นะโน้มไปโอนไปเอ็งไปก็พร้อมที่จะมีนะ คือคือปัญหาว่ามีศรัทธาที่จะเจริญไหมถ้ามีศรัทธาที่จะเจริญจริงเนี่ยนะคำสอนเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติสอนให้ไปเจริญในชีวิตจริงไม่ได้เขียนให้โกโก้เทศให้เท่ๆไปอย่างนั้นอะไม่ใช่แน่นอนแต่เป็นคําสอนที่มีผลในการเอาไปใช้อย่างแท้จริงใครที่คิดแบบเนี่ยนะเอาไปคิดแบบหน้าสองรอยยสบเจ็ 7, ดดูถ้าตัณหาไม่ลดนี่ให้เลิกนับถือพระพุทธเจ้าเลยเไหม จริงเป็นไปไม่ได้หรอกสรุปว่าถ้าคิดตามนี้จริงๆกับวัตถุใดนะโอยตันหานี่ไม่รู้มันวิ่งหนีไปไหนหมดก็ไม่รู้กลัวมากๆเลยนะตันหาเนี่ยนะเขาถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการนะี่มันนํามาซึ่งกองทุกข์นะตันหาไม่เอาหรอกตันหาเนี่ยจะชอบเฉพาะสิ่งที่อวิชาปิดเท่านั้นถ้าหากว่ามีปัญญาเข้าไปรู้สิ่งนั้นหน่อยนะตันหาไม่เอา ล, ละก็เหมือนกับอย่างว่านะ โอ้ยเนี่ยลองไปรถคันนี้สิดีมากดูสวยอย่างไงนีะ้แต่ถ้าปัญญามันบอกว่าไปถึงตรงนั้นแล้วตายหมดคันเลยไงไงนะไปไหมเอ้าคันสวยไม่ใช่เหร อ, อ น, นะสมมติเออเครื่องบินเที่ยวนี้พิเศษ VIP พ น, นะะแต่ว่าไปได้แค่ครึ่งทางตกกลางอากาศกระทันหันอย่างงีนะ้โอ้ยจะพิเศษก็ไม่ไปพิเศษขนาดไหนก็ไม่ไปถ้ามีปัญญารู้ซะหน่อยเราทั้งหลายถ้ามีปัญญารู้ว่าการเกิดในวัฏฏะเป็นทุกข์จริงๆนํามาซึ่ง ความสารพัดทุกข์ก็ยังไงก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่เอาเออทุกขานุปัสสนานี่รวมถึงอสุภะด้วยนะอสุภะก็คือกลุ่มทุกขานุปัสสนาเพราะว่าอสุภะคําว่าไม่งามก็เป็นบริวารของทุกขลักษณะก็เท่ากับเป็นบริวารของอารมณ์ของทุกขานุปัสสนาพิจารณาว่าไม่งามอสุภะเนี่ยนะเป็นของที่มีกลิ่นเหม็นเขาบอกว่าในโลกนี้นะบางคนเนี่ยเห็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยผลไม่ได้ บางคนเน่เห็นสิ่งปฏิกูลทนไม่ได้แต่บางคนเนี่ยเห็นเนี่ยทนได้แต่ฟังเนี่ยทนไม่ได้ฟังเสียงที่บอกว่าเสียงเลวร้ายเนี่ยฟังแล้วทนไม่ได้บางคนเห็นทนได้ฟังทนได้แต่เว้นแต่กลิ่นเนี่ยกลิ่นนี่ทนไม่ได้จริงๆเลยนะบางคนนี่ทนทนทนสีทนได้ทนเสียงทนได้แต่ทนกลิ่นทนไม่ได้บางคนเนี่ยทนสีเสียงกลิ่นได้แต่ทนรถบางอย่างไม่ได้บางคนเนี่ยทนสีเสียงกลิ่นรถได้แต่ทน ทพระไม่ได้ความอดทนของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันคาว่าสิ่งที่ต้องทนนี่แสดงว่าสิ่งนั้นมันเลวร้ายมากใช่ไหมจึงต้องทนถ้าสิ่งดีนี่ต้องอดทนไหมไม่จำเป็นนะบางคนนี่ไม่มีความอดทนทวารตาเลยนะทนไม่ได้ที่จะเห็นบางคนทนไม่ได้ที่จะฟังบางคนทนไม่ได้ที่จะรู้กลิ่นบางคนทนไม่ได้ที่จะรู้รสของขังไขแพ้ทวารไหนตาเป็นสีแพ้ทวารไหนที่สุดตาหูจมูกเลนเนี่ยนี่กล่นเย โรคเดียวกันะวันอื่นนะสีจะเลวร้ายขนาดไหนก็พอดูได้เสียงนะั้มันจะยังไงก็ฟังได้แต่กลิ่นเนี่โอ้ยอยาเจียนเลยตะบะแตกนันก็สรุปว่าเป็นของที่มีกลิ่นเหม็นนะบางคนที่ปฏิกูลทวารจมูกก็เลยเนี่ยพอได้กลิ่นปรับทําใจไม่ได้เลยนะบางพวกก็สิ่งที่น่าเกลียดน่าเกลียดนี่มาจากอะไร บาลีเข้ามาเนนะี่น่าเกลียดหนึ่งทุกคังเชคุดชโตเนี่ยนะเชคุดชะโตนี่ยแปล ว, ว่าน่าเกลียดมากน่าเกลียดอนะในภาษาไทย ก, ก็ก็ชัดเจนนะบางคนนี่ฟังว่าอกอูอะไรมันน่าเกลียดขนาดนั้นอย่างเงี้นเนะเช้เชขุดชะโตเนี่ยนะน่าเกลียดแล้วก็ปฏิกูละโตก็คือ ของปฏิกูลปฏิกูลปฏิกูลกับสกปรกเหมือนกันไหมกล่มเดียวกันเนี่ยนะเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเดียวกันนั่นแหละต่อไปโดยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะ ก, กําจัดได้ด้วยการตกแต่งหมายคำว่าแต่งยังไงก็แต่งไม่ขึ้นอย่างนั้นเถอะแต่งแผลเนี่ยแต่งซะแผลงามเลยเนี่ยแต่งยังไงแต่งให้แผลมันงามสมมุติเป็นฝีทั้งตัวน้ําเหลืองเยิ้มแล้วแต่งยังไงมันจะงามนึกไม่ออกว่าจะแต่งได้ยังไงนะแล้วก็เป็นของ ข, องขีเร่ว่างั้น ขี้เรเนี่ยนะบางคนเนี่ยฟังคําว่าขี้เรเนี่ยก็ทําใจไม่ได้แล้วบางคนก็บอกว่าวิพัชโตเนี่ยนะก็คือเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงแต่ละคําสรุปว่าไม่งามเ่มงอนกันเถอะไม่งามกลิ่นเหม็นหน้าเกลียดปฏิกูลแต่งยังไงก็ไม่แต่งไม่ขึ้นอย่างเงี้ยขีเรศหน้าขยะขยงเนี่ยนะก็แต่งซัแต่งลําไส้ให้งามแต่งยังไงอ่ะทำใจไม่ได้ แ, แต่ง แต่งลำไส้แต่งน้ำอะไรนะแต่งตับยังไงนะแต่งตอดแต่งกระดูกไงนะเลี่ยมขัดมันเลยชุบทองเพื่อไม่เอาไปทำนะที่เขาเ้าทำเอากระดูกทาเพชรอย่างนั้นหรือเปล่าส่งกระดูกไปทําเพชรเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้เพื่อนี้ก็เป็นบริวารของทุกขานุปัสสนานะใครที่จะออกจากวตฏะจริงๆต้องเห็นวัฏฏะอย่างนี้นะถ้าเห็นตรงกันข้ามเมื่อไหร่นะคุณไม่ได้ออกหลอกจากวัฏฏะเนี่ยนะสรุปว่าเฝ้าวัฏฏะเนี่ยเช่น บอกอุย้ยทนได้พอทนได้นี่สศกอุย้ยรักษาได้โรคถึงรักษาได้ฝีก็ดูแลได้ลูกศร อ, อุย้ยบาบัดได้ชั่วร้ายไม่ไม่ไม่ไมไมดีป่วยรักษาได้ไม่จังไรสะดอกเคราะหได้อย่างเง้ยนะคือคือถ้ามองเห็นตรงกันข้ามเมื่อไหร่นะโอ๊้อีกนานานะเฝ้าวัตตะอีกยาวอย่างเงี้ยนีก็บอกอุย้ยไม่งามได้ยังไงสวยกลิ่นก็หอมนะเพราะว่ามียาระงับเปล่นอยู่ไม่น่าเกลียดหรอกทําศัลยกรรมได้ก็ถ้าใส่ใจแบบนี้โอ้อีกนานอย่างเงี้ย ฟาวัตตาอีกยาวอย่างงี้ยนี่มาดูอนัตตาบ้างว่าอันนัตตาเป็นต้นว่าเป็นปรตโตปรตโตกับปรปักกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะอยู่ฝ่ายอื่นเน่ยนะอยู่ฝ่ายอื่นอะไรก็ตามถ้าเป็นของคนอื่นดีไหมเป็นของคนอื่นเราจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมก็อยู่ฝ่ายอื่นนะสรุปว่าฝ่ายอื่นสรุปว่าไม่มีอํานาจไปจัดการอะไรเลยเช่นเรื่องราวที่มันเกิดในประเทศอื่นนี่ไปทําอะไรได้เรื่องราวของบ้านอื่นอะไรก็ตามที่มันอื่นๆแล้ว แสดงว่าเราไม่มีอํานาจอะไรเลยแล้วก็เป็นของว่างริตโตเนี่ยนะคือคือของเล็กน้อยมันว่างมันแล้วก็ตุชโตเนี่ยนะแปลว่าว่างเปล่าเป็นของเปล่าจริงๆแล้วก็สุญโตเป็นของว่างว่างว่างตัวนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่มีความเที่ยงความสุขความงามความยั่งยืนอัตตาอยู่ในนั้นเลยอสามิกโตอสามีนี่แปลว่าเจ้าของไงไหม อสสามีกาก็คือไม่มีเจ้าของอะไรเลยเป็นของที่ไม่มีเจ้าของเลยเช่นอากาศนี้มีเจ้าของไหมเวลาฝนตกออกมาใครเป็นเจ้าของฝนขณะที่มันกําลังตกลงมานะก็คือของที่มันไม่มีเจ้าของอย่างแผ่นดินถล่มเนี่ยนะแผ่นดินมันถล่มใครเป็นเจ้าของแผ่นดินเจ้าที่ทําให้ถล่มอย่างนั้นมีเจ้าของสรุปไม่มีอํานาจอะไรได้น้ํามันท่วมมาใครเป็นเจ้าของน้ําที่ทําให้มันน้ําท่วมมัไม่มีเจ้าของลมพัดพายุพัดมากำนํามาเลยเนี่ย ใครเป็นเจ้าของแล้วไอ้อะไรก็ตามที่ไม่มีเจ้าของนะสิ่งนั้นไม่มีผู้ใดไปเป็นไม่มีอำนาจได้ไม่มีผู้เป็นใหญ่อ น, นิสรโตเนี่ยนะอิสรโตเนี่ยแปลว่าผู้เป็นใหญ่อ น, นิสรโตก็คือไม่มีใครใหญ่จริงในในสิ่งนั้นนะนะคิดว่าใหญ่เนี่ยได้แต่ว่าไม่มีใครใหญ่จริงๆมีใครใหญ่จริงในขันห้าไหม แต่คิดว่าใหญ่เนี่ยเป็นได้แต่ว่าไม่มีใครใหญ่จริงๆใครที่ใหญ่บอกว่าที่เกิดที่ขออย่าเกิดที่เกิดแล้วก็ขออย่าแก่ที่แก่แล้วขออย่าป่วยที่ป่วยแล้วขออย่าตายที่ตายแล้วก็ขออย่าเกิดอีกไงนนะมีใครใหญ่สั่งขนาดนั้นได้ไหมไม่ได้ก็เลยเรียกว่าไม่มีอิสระชนอย่างแท้จริงในในขันหา่าแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่เป็นไปในอานาจ ไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงอะนะขอในโลกเนี้ยดูถ้าบุญบางอย่างให้ผลเหมือนตอนมีอำนาจใช่ไหมถ้าหมดบุญไปแล้วล่ะอันนั้อนอยู่ๆแล้วนะถ้าตอนมีบุญตาเรายังอยู่ดีๆใช่ไหมถ้าเกิดมันเน่าไปแล้วมีอำนาจอะไรบ้างอันนะก็ไม่มีอำนาจอะไรแล้วใช่ไหมร่างกายเนี้ยถ้าอย่างบุญมันให้ผลอยู่เนี่ยเหมือนตัวเองมีอำนาจถ้าหมดบุญทันทีเลยนะมีอำนาจอะไรกับกายนี้บ้างพ่าน ขันห้าไม่มีผู้ใดมีอำนาจในในขันห้าอย่างแท้จริงก็แท้ถ้าบอกอว้ยเรามีอำนาจดูสิจะให้ลุกก็ลุกจะให้เดินก็เดินให้ยืนก็ยืนให้นั่งก็นั่งอ้แต่ละอย่างนี่เราดูแลควบคุมได้เราเป็นผู้จัดการสั่งได้อะไรได้ถ้าอย่างนี้อีกนานไหมเนี่ยโอ้ยอีกนานอย่างนี้ต้องเลี้ยงขันห้าอีกนานเนี่ยนะจนกว่าจะอูย้ยขันห้ามันเลี้ยงไม่ไหวจริงๆกว่าจะรู้วันนั้นก็ เกิดใหม่เรียบร้อยกว่าจะรู้ตัวเออเราไม่มีอำนาจอะไรจริงๆก็ไม่ได้เจริญกรรมาฐานอะไรแล้วใช่จุติไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> จิงอยู่สังขารทั้งหลายชื่อว่าเป็นอันพระโยคาวจรผู้นั้นเห็นอยู่อย่างนี้ได้กำหนดยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วหมายค่าว่าสังขารทุกชนิดนะเอาเครื่องหมายอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไปแปะไว้หมดเลย เขาไปแปะจนพูดแบบถ้าคนกลัวผีก็ผีมีที่ไหนก็เอามนอายันนะไปแปะแปะแปะแปะแปะไว้นี่ก็เหมือนกันอันิจ้จังทุกขังอนัตตาหรือด้วยอำนาจอนุปัสนาเนี่ยไปแปะไปประทับตราเอาไว้ทั้งหมดทุกคนทุกแห่งทุกที่ทุกอารมณ์และทุกทวารเนี่ยนะทุกทวารทุกอารมณ์เลยนะไปแปะในความเป็นอันนี้จังทุกขังอันตตาแปะเรียกว่าใส่เครื่องหมายประทับตราลงไป พรลักษณะกับเครื่องหมายประทับตาเหมือนเดียวกันประทับตราไว้ให้หมดเลยประทับตราในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีใกล้ไกลเนี่ยนะทุกทวารทุกอารมณ์ทุกวัตถุทุกวิญญาณภาษะเวทนาเนี่ยประทับตราอนิจจังทุกขังอนัตตาจนไม่มีคําว่าลืมอีกต่อไปเ น, น, นะเมื่อไหร่นอจะมีปัญญาทําได้อย่างนั้นนะสักวันหนึ่งคงทําสําเร็จนะพี่ต่อเนาะ สักวันหนึ่งต้องสําเร็จแน่นอนอนะนะเขาให้มีอัธยาศัยก่อนนะถ้าตั้งใจไว้ดีเนี่ยโอ้ยสักวันหนึ่งชัยชนะต้องเป็นของเราใช่ไหมแต่ถ้าบอกโอ้ยใครจะไปทําได้ถ้าอย่างนี้นะมันทําไม่ได้จริงๆอะนะเพราะอะไรเพราะไม่มีศรัทธาที่จะทําเลยแต่ถ้าตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ไว้ดีเนี่ยนะถึงตอนนี้ยังไม่มีเรี่ยวมีแรงยังไม่มีศรัทธามากสักเท่าไหร่แต่ก็สักวันหนึ่งเธอสักวันหนึ่งเธอเนี่ยนะเรียกว่าผูกพยาบาทกับขันห้าเลยนะ ขันห้าเธอกับฉันจะต้องจากกันสักวันหนึ่งนะฉันจะไม่ขอเป็นท่ารับใช้มหาภาระนี้อีกตลอดไปสักวันหนึ่งเธอะวันนี้ฉันอาจจะยอมจำนนแต่อนาคตต่อไปฉันไม่ยอมแน่เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนะท่านได้ฟังทำฉันจะต้องกำจัดฉันทราคาในขันห้าให้ได้สักวันหนึ่งนะคือตอนนี้ถึงจะยอมแพ้ก็แต่ก็ไม่ใช่ตลอดไปเห็นไหมวันก่อนยังขำยอมก็เล่าไปฟังโอ้ย รักมากแต่ว่าขอพบกันแค่ชาติเดียวก็พอก็ <c oughs> มีแม่อยู่คนหนึ่งเลี้ยงลูกอ้ยรักลูกคนนี้รักที่สุดชีวิตแต่บอกว่าพบกันชาตินี้ก็พอแล้วนะลูกระวังนั้นก็ <c oughs> สแสดงว่าคือคือจังเห็นว่าขันหน้าเนี่ยนะหน้าพอใจแต่ว่าพอได้แล้วคือพอเป็นนะนะรู้จักพอเป็นทํําทาไมจึงพอเป็นบอกทุกข์เหลือเกิน <c oughs> เดือดร้อนเหลือเกินไหนนะพู้ผู้ที่กําหนดยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์อย่างนี้ก็ได้ดี ถามว่าก็พระเฮไรพระโยคาวจรนี้จึงต้องกําหนดสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้อย่างนี้ทําไมจะต้องไปเที่ยวประทับตรานิจังทุกขังอนัตตาไว้ทุกหนทุกแห่งทุกอารมณ์ขนาดนั้นล่ะแตบว่าเพื่อยังอุบายแห่งการพ้นให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นวิธีการวิธีการที่จะทําให้ตัวเองพ้นได้แต่ถ้าไม่มีการไปประทับตราอะไรไว้นะอนิจังกับเรื่องนี้เรื่องอื่นนิจังหมดเลย ทุกขังแต่กระสิ่งนี้นะอย่างอื่นสุขขังหมดเลยอนัตตาแต่กับบางเรื่องแต่หลายเรื่องอัตตามหมดเลยออกได้ไหมออกไม่ได้แล้วเบือ่อเลอเกินเบื่อแต่ทวานหูเนี่ยเพราะถูกด่าอยู่ทุกวนันทวานอื่นดีหมดอย่างเงี้ยนะพ้นได้ไหมอย่างเงี้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะยังไงก็ถอนตนออกจากวะตะัตฏะไม่ได้มันก็ต้องประทับตรังประทับตราอนิจังทุกขังอนัตตาไว้ทุกขนทุกแห่งทุกการทุกที่ทุกอารมณ์ทุกทวานว่าสักวันหนึ่ง จะต้องออกเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นไปกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาในข้อนั้นมีอุปมาดังต่อไปนี้มีเรื่องเล่ามาว่าชายผู้หนึ่งคิดว่าเราจะจับปลาจึงถือเอาสมเนี่ยจับปลาลงไปสมลงไปในน้าสมก็คือจับจับวางจับวางจับวางอเนี่ทีนี้ถ้าถ้าจับวางปั๊บถูกปลานะปลามจะวิ่งชนสมเขาจะรู้เอาโดนปลาแล้ว เขาเล่าให้ฟังนะเขามาไม่เคยสมสุมก็สมไม่ได้กับเขาทักทีเกิดมาน่สุมไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าวิธีสมได้ปลาทําไงก็พอวางปั๊บเนี่ยถ้ามีปลาเนี่ยมันจะวิ่งชนเพราะขอบเขตมันจะเหลือแคบลงนะปลามันก็จะดินด้นดิ้นเขาก็จะกดให้สมเนี่ยมันลงลึกๆ ก, ก, ก็มือเอามือนี่ล้วงลงไปควานทำถ้าจนปลาเหนื่อยก็จะจับคอปลาได้ น, นะเห็นพวกใหยๆเขาทํากัน เสร็จแล้วก็ล้วงเข้าไปทางปากสมก็ไปจับเอาคองงูน้ําเข้าจับก็คองหัวงูเห่าก็แล้วกันนะในน้ำจับคองงูเห่าได้ก็ดีใจว่าเราได้ปลาแล้วตัวเท่าปลาเลยนะจับงูได้ตัวเท่าปลาไงก็เลยสําคัญว่าเราได้ปลาตัวใหญ่แล้วเนาะก็เลยยกมันขึ้นมาดูก็เลยเห็นดอกจันอยู่สามแฉกบนหัวเนี่ยนีคลายอะไร ไม่ใช่หัวปลาเลยนะหัวแบบนี้นะหัวมีเครื่องหม้แบบนี้ไม่ใช่หัวปลาแล้วหัวงูชัดๆอย่างงี้ยก็เลยรู้ว่าอา้าวนี่มีสามแฉกถ้ามันแลบลิ้นด้วยมีอะไรลิ้นปลานี่มีสองแฉกไหมไม่มีนะใช่เนี่ยมันแลบลิ้นมามีสองแฉกไงนะทําใจไม่ได้แล้ะพอเห็นเข้าอย่างงี้ก็เลยกลัวมองเห็นโทษก็เป็นผู้เบื่อหน่ายในการจับมันไว้ต้องการจะปล่อยเสียเมื่อจะทําอุบายแห่งการปล่อยทีนี้การปล่อยงูเนี่ยนะถ้าปล่อยไม่เป็นนมันกัดเอานะ ก็ต้องหาวิธีปล่อยงูทํายังไงไม่ให้งูมันกัดเมื่อจะทําอุบายแห่งการปล่อยจึงปลดมือตั้งแต่ตอนหางาตั้งแต่หางตอนปลายออกแล้วค่อยๆปลดไม่ให้มันพันนะนะก็ยกแขนขึ้นอย่าให้มันพันมือก่อนนะถ้าพันมือนะักแกว่งยังไงมันก็ไม่ไม่เมาอ่ะนะคืออาการที่ยกขึ้นมาแกว่งเพื่อต้องการให้มันเมาใช่ไหมเสร็จ <sack security> แล้วก็ต้องไม่ให้มันพันจะต้องแบบจับแล้วก็มาหมานุมนหมนุมนหมนุนหมุนหมุนหมุนมนให้มนันเม า, ม า, มาก่อนนะนะเคยจับ เคยเคยเอาอะไรนะมือข้างหนึ่งจับ ห, หูตัวเองมือข้างหนึ่งจมลงดินแล้วก็เดินวนรอบไหมนะทาให้มันเมาแบบนั้นนะ่ะสมัยเด็กๆโดนประจําอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เรียกว่าเวียงขึ้นมนศีรษะก่อนให้งูมันเพลียแล้วก็ปล่อยตะเพิดไปบอกป้ายเจ้างูร้ายอย่างนี้แล้วก็ขึ้นขอบบึงโดยเร็วย่อมมองอมองทางที่หนีมานึกอยู่ในใจว่าเจ้าประคุณเอ้ย เราเนี่ยพ้นจากปากงูใหญ่มาแล้วเนอก็ดีใจใหญ่นะจะได้พ้นจากงูสักทีหนึ่งข้ออุปมานี้มีให้รู้ว่าการที่พระโยคีพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะแม้รูปนี้ก็ได้อัตภาพก็ยินดีมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นะ่ะดีใจนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดีใจมากที่ได้มาเกิดชาตินี้นะดีใจไหมใครผิดหวังแหมไม่น่าเกิดมาเลยเกิดไม่ได้ยังไงเนี่ยเข็ดจนตายเกิดมาได้ยังไ ง, ม, ไ ง, ไงมีไหมในห้องเรา เสียใจมากที่ได้เกิดนี่ไหมไม่มีนะมีแต่ดีใจขอมาเนี่ยเสียใจมากตั้งแจะเกิดมาตั้งแต่เล็กอเกิดมาทําอะไรเนี่ยเสียใจมากๆเลยนะแต่ไม่รู้เรื่องหรอกสมัยนั้นนะแต่สมัยเด็กๆจริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยไม่รู้สึกว่าดีใจอะไรที่ได้เกิดยังไม่อดีใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาเนี่ยยังไม่มีหรอกคือคือไอ้ดีใจแบบจริงๆอนะเด็กๆนี่ก็พเบื่อ เ, เต็มทีบางครั้งยังสมัยเด็กๆยังเคยคิดจะไปฆ่าตัวตายเลย น่าเบื่อมากๆมเกิดมาทำอะไร <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าโดยรวมๆก็ดีใจใช่ไหดีใจที่ได้เกิดกันโอ๊ยดีใจการที่ดีใจที่ได้เกิดเปรียบเหมือนอะไรเหมือนบุรุษนั้นน่ะจับถูกงูเข้าที่คอแล้วก็ดีใจสำคัญว่านี่ปลาปลาก็ดีใจการที่พระโยคีนี้ทําการกระจายคณะแยกกลุ่มแยกก้อนแยกขันธาตุอายตนะแยกขันเป็น เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกรูปไปเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปแยกภูตรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตตูอาหารแยกจะวิเคราะห์จนละเอียดยิบนะจนถึงการที่สามารถกําหนดได้สัมมสนญาณเป็นต้นนั่นแหละกับแยกจนเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาโดยรูปสัตตกระรูปสัตตการูุทยพพญ า, านเป็นต้นน่ะนะก็เหมือนการที่บุรุษนั้นดึงหัวงูออกจากปากสุ่มแล้วก็เห็นลายสวัสดิกะสามแฉก ลายหัวงูเห่านะที่วิจิตบันจงอยู่บนหัวงูอ่ะอันนี้จังทุกขังอนาตาถ้าเจริญถูกจริงๆเนี่ยนะเขาจะรู้ว่ากําลังเล่นอยู่กับงูจริงๆนะเล่นอยู่กับการทั้งหลายเหมือนหัวงูเหา่าเนี่ยนะก็จะเห็นว่าวัตถุที่น่าพอใจเนี่ยเหมือนกับหัวงูจริงๆพยาตูปทานญิานของพยโยคีนี้เปรียบเหมือนการที่บุรุษผู้นั้นกลัวอุปมาณนะถ้ากลัวสังขารจริงๆก็ต้องเห็นสังขารทุกชนิดเหมือนกับ กลัวงูเห็นงูแยกเขี้ยวกับเห็นคนยิ้มเนี่ยต่างกันตรงไหนขอให้มันจริงอย่างนั้นเถอะคุณมาลิวัลขอให้มันจริงอย่างนั้นเถอะเลยรอ ย, ยิ้มแป้ขึ้นมากับโอ้โหกับงูที่กําลังอ้าปากต่างกันตรงไหนนาะเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยนะโอ้ยปวดมาตั้งนานแล้วเนาะอาทีนาวานุปัสนาญาณก็เปรียบเหมือนการเห็นแต่โทษของงูเนี่ยนะเห็นโทษเลยนะว่า เอามาเลี้ยงด้วยได้ไหมเอาเลี้ยงงูเหา่าเลี้ยดูเล่นๆที่บ้านสักตัวหนึ่งสนใจไหมไม่เอาแล้วนะอุย้ยมองเห็นแบบเชื่อใจไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอย่างไงนี่พิธานุปัสนาญาณเปรียบเหมือนความเบื่อหน่ายในการจับไว้เนี่ยนะอู้จับหัวงูไว้เนี่ยนะมันมันไม่อยากจับแต่แต่แตทําไมยังจับอยู่ล่ะจับเพื่อเตรียมจะปล่อยเนี่ยนะมลจิตุกรรมมยตายานเปรียบเหมือนความไข่จะปล่อยหัวงูวไปปล่อยงู การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในสังขารทั้งหลายด้วยปฏิสังขานุนปาานัสนาญาณเปรียบเหมือนการทำอุบายแห่งการปล่อยอุบายก็คือจับมาเวียงเวียงเวียงให้มันอะไรนะเพื่อให้มันเมาก่อนนะนะจะได้เคลื่งไปได้เหมือนอย่างว่าบุรุษนั้นแกว่งงูทําให้เพลียทําให้ถึงความไม่สามารถจะแง้กัดเอาได้แล้วก็ปล่อยไปเป็นอย่างดีฉันใดพระโยคาวจรนี้ก็แกว่งสังขารทั้งหลายทําให้สังขารเนี่ยเพลียเลย ด้วยการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เขาบอกว่าก็จริงนะถ้าหากว่าคิดถึงอารมณ์อะไรก็ตามนะทุกอารมณ์ทุกอารมณ์เลยนะมีนํามาซึ่งชาติชรามรณนะคิดถึงอารมณ์อะไรนะเพลียทางความคิดหมดเลยนะอ้เหนื่อยเลยคิดถึงอะไรก็นํามาซึ่งชาติชรามรณนะคิดอย่างนี้บ่อยๆก็เริ่มเพลียเอ๊ะเพลียอย่างนี้ดีหรือไม่ดียมก็มาบอกว่าพระอาจารย์ไม่มีความสุขเลยนะมัวแต่คิดอย่างนี้อยเครียดลงเครียดลงแสดงว่า ยังหวังว่าสังขารมันจะเป็นสุขเพราะเห็นว่าสังขารทุกข์มากๆเข้ากลายเป็นเดือดร้อนใช่ไหมก็แสดงว่ายังยินดีในสังขารอยู่ถ้าหากว่านึกถึงสังขารชนิดใดๆอ่ะนะตามเป็นจริงแล้วควรจะดีใจทําไมควรจะดีใจจะได้ปล่อยมันสักทีหนึ่งที่เรายินดีเนี่ยที่ปล่อยไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมองเห็นส่วนที่น่ายินดีแต่ถ้ามองเห็นแต่โทษอย่างนี้ดีใจเถอะว่าไม่นานสักเท่าไหร่เราต้องปล่อยแน่ อนั้นถ้าหากว่าเห็นแต่พิษเห็นแต่ภัยเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษสักวันหนึ่งจะต้องปล่อยจนได้ก็เลยทําให้เพลียขึ้นด้วยยกขึ้นสูงอันนี้จังทุกขังและอนัตตาทําให้ถึงความไม่สามารถที่จะปรากฏโดยอาการที่เที่ยงเมื่อประทับตราเครื่องหมายอันนี้จังทุกขังอนัตตาไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะถามว่าจะสําคัญว่าเที่ยงได้ไหมสุขได้ไหมงามได้ไหมอัตตาได้อีกไหม อันนี้พวกพวกนี้เป็นสติปัฏฐานนะเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยกําจัดอะไรกําจัดความสำคัญว่าเที่ยงสุกงามและอัตตาได้อันนี้คือสติปัฏฐานที่มั่นคงนี่จะเป็นอย่างนี้ก็คือไปประทับเครื่องหมายอะไรนะเปรียบเหมือนว่าคนที่ไปตรวจตรวจอะไรหม้อไปก็โอ้นี่รอยร้าวก็ตัดตัดเครื่องหมายว่านี่รอยร้าวหม้อนี้ร้าวอย่างนี้ เ็นเครื่องไม้หม้อนี้ก็ทะลุอย่างนี้ไปเห็นใส่เครื่องไม้จนว่าซื้อไม่ได้แม้แต่ใบเดียวะนะสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันไปพิจารณาจนว่ารับไม่ได้แม้แต่สังขารแต่อย่างเดียวเนี่ยนะมองไม่เห็นว่าที่ใดที่ตัวเองปรารถนาจะไปไม่เห็นที่ใดที่ปรารถนาจะอยู่ก็เลยเห็นโทษของของการมีสังขาร น, น, นิมิตปรากฏแต่อันนิดไม่เที่ยงปรากฏแต่เป็นทุกข์ปรากฏแต่ความเป็น สุภะปรากฏแต่ความเป็นอนัตตาไม่เห็นอาการอะไรที่จะบอกว่านี่เที่ยงนี้สุขนี้งามนี้อัตตาไม่มีเครื่องหมายแห่งความเที่ยงอยู่เลยไม่มีเครื่องหมายแห่งความสุขไม่มีเครื่องหมายแห่งความงามไม่มีเครื่องหมายแห่งอัตตาอยู่เลยนนะเนี่ยนะก็เลยย่อมพ้นไปอย่างดีฉะนั้นคือคนที่ที่มีความเข้าใจพิจารณาได้อย่างครบถ้วนบริบูดนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ อันนี้มีเขามีเรื่องเล่าว่ามีโยมคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังเขาเป็นเกิดมาเป็นคนงามมากเลยเนะเกิดมางามมากก็มผีผู้ชายเนี่ยไปตามคุยกับเขาประจําเลยเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีมีอยู่ปีหนึ่งแต่ ง, งามเหมือนเดิมนี่แหละเขาก็บอกมีคนมามาคุยด้วยเขาบอกว่าเขาก็บอกตรงๆะนะบอกฉั้นเป็นเอดอุ้ยก็ตั้งแต่นั้นมานะความสงบสุขมีมากเหลือเกินเพระมาณนั้นไม่ค่อยมีใครม า, มามามาคุยด้วยมาอะไรด้วยนะก็บอกตามความเป็นจริงบอกว่าชั้นเป็นเอทพระาณนั้น การนั้นก็เพิ่งเจอความสุขมาสังขารทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันมีทุกข์มีโทษอย่างแท้จริงเนี่ยถามว่ายังสนใจอยู่อีกไหมก็ไม่เอานะถ้าใส่ใจรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งนั้นเป็นเป็นภัยอย่างแท้จริงน่ยนะก็ก็จะไม่มีใครปรารถนาแน่นอนแต่ที่ยังปรารถนาก็คืออะไรนะอสสาท่มันของขันห้ามันแรงนะความน้ายินดีความน่าพอใจของขันห้านี่แรง พอความยินดีหน้าพอใจปรากฏขึ้นมาก็เลยลืมเลิมถึงพิษภัยลืมถึงโทษภัยเนี่ยนะ <c oughs> อย่างสมมุติถ้าเรามองเห็นเด็กตัวคนหนึ่งเนี่ยน่ารักช่กําลังน่ารักเลยนะยิ้มก็หวานพูดก็ไพเราะหน้าตาหน้าเอ็นดูเลยนะเราเห็นแล้วอุ้ยนึกชอบมากอันนี้แสดงว่าเราไม่รู้จจริงแต่ถ้าเรามองนะย่อเด็กคนนี้นะสมมติเด็กคนนี้อายุ80ปีตายจากนี้ไปอีก80ปี เ, เด็กคนนี้จะทุกข์อีกขนาดไหนเนี่ย ถาว่าหน้ายินดีไหมถ้ามองเห็นเด็กปุ๊บจะยินดีเลยไหมมองเห็นเด็กปั๊บเนี่ยนะโอ้โหนี่สมมติหิวขี้วกระเป๋าเข้าอนุบาลอย่างเงี้จากนี้ไปอีกหกเจ็ดสิบปีข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงมองเห็นอย่างงี้นั่งยิ้มเลยนะน้อยนักใช่ไหมก็นึกโอ้โหนี่เขาจะต้องไปต่อสู้กับโลกยังไงนะเขาจะต้องไปร่าไปเรียนไปต่อสู้ไปไปใครเรียกว่าศึกชิงอะไรนะชิงมหาพูดแล้วเด็กคนนี้คืออะไรนะเลือดของวีรชนผู้ มาเชียงมหาพูดจชีงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงตามเลี้ยงาตาเทวานหูเนี่ยนะเพราการดํารงชีวิตอยู่ในโลกมันก็สงครามย่อยๆอยู่แล้วสแสวงหาเพื่อจะได้เห็นสแสวงหาเพื่อจะได้ได้ยินได้ฟังสแสวงหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะเพราะการการประกอบอาชีพแต่ละครั้งต่างอะไรจากการรบเนี่ยนะมีการเจรจามีการต่อรองบู้สรพัฒอยู่ในนั้นหมดเลยเพรนถ้ามองเห็นปับ๊บมองเห็นเด็กคนนึงปับ๊บหูทุกข์ของเขา ที่เขาจะต้องรับอีกเท่าไหรน่น้อนั้นก็เลยมองเห็นเด็กก็ชักไม่ค่อยหนุกแล้วนะไม่หนุกแล้ว ค, คือไม่มีความอะไรที่จะ